พูดไม่ออกไม่เคยรู้สึกอะไรอย่างนี้มาก่อนอยากจะนอนก็นอนไม่ไหวเพราะใจไม่ยอมนอน ทางเจ้ารักเธอได้ก็ไม่